أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ح ا ل ح د ي د ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما ي د ر ل ه فلا هارج له ما ب ف ายนั้นَักว่าฮะริษ์ขีตับุลลาห์ว ا าฮะลัดฮะดีมุฮัมมัด بشر เรَ่องอُโَ ا ค์มหัศจร ح ย์ของเธอว่ากِลล์มหัศจรรย์ติดบิดาว่ากุลَ์บิดาติดดั่งลาَาว่ากุลล์ดั่งลَลَฟินนาร์อามะบักสุลามْุะَัยกุมวะร ا ัมตุลลาห์วะบารักกะตูขับผมก่อนที่ผมจะสลามก็พี่น้องก็สลามมาก่อนนะครับผมมีคุณอาอาจารย์เาเรียกคุณอาส่งใช่ไหมครับผมอคุณอาส่งนะครับสลามมาแล้วก็คุณวัชรินกันทงมาชารบารกลฟีกุมครับสองท่าน รับชมมาประจำก็วายุมุสลัมรับตุลลอห์ว่าบรอกกาตู่กับพี่น้องทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้เรามาเริ่มกันในอีกหนึ่งสุรรครับที่ว่ามีความสําคัญต่ออกีระการศรัทธาของมุสลิมผู้ศรัทธาเรานะครับผมแล้วก็อิชาลรัชครับในวันนี้เราก็คงจะได้รับสารุสารสารุขอมาพีรับสาระไปพร้อมๆกันนะครับอิชาลรัชครับผมช่วงนี้พูดติดผัดอะไรสักหน่อยก็ขอมาพี่น้องด้วยนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับสุรรัชอัลเบ อัลเบลัเมืองนี้เมืองนี้ครับเป็นสุราที่90จากการเรียงลําดับในคัมภีร์อัลกุรอานของอัลล่าครับสุรา this ครับเป็นสุรามักดียะครับผมซึ่งก็มีคิราบางนักศึกษาบอกเป็นสุรามาดียะคือถูกประทาหลังจากอพยพไปแล้วแต่ก็มี เ, เป็นประเด็นคิราปิกย่อยซึ่งเราคงไม่มาคุยกันสรุปก็เป็นสุรามักกียะเนี่ยแหละครับผมมีจำนวนอายะห์ทั้งหมด20อายะห์ด้ยวยกัน พอล้อผู้รงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับพรองคได้ทรงเริ่มสร้อนนี้ด้วยกับการสาบานครับว่าเลอโอกซิมูเบลมิลกิ亚มเลอโอกซิมูเบลมิลกิ亚ะถ้าแปลเป็นไทยแบบคำต่อคำแบบคนที่ไม่เข้าใจพื้นฐานสังคมอาลับแปลต่อคำเป็นคำจะแปลว่าฉันไม่ขอสาบานต่อเมืองเมืองนี้ฉันไม่ขอสาบานต่อเมืองเมืองนี้ครับทังปุ๊บ ไม่ขอสาบานมันแปลว่าอะไรก็ขออนุญาตรับใช้พี่น้องดังนี้ครับผมคือสมมุติภาษาหรับนะครับการที่ใช้คําว่าลาที่แปลว่าไม่เนี่ยนําหน้าการสาบานมันไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่สาบานแต่มันเป็นการย้ํายืนยันว่านี่แหละฉันขอสาบานเรื่องนี้จริงๆลาอุคซิมูจึงมีความหมายว่าฉันขอสาบานกับเรื่องนี้จริงๆแบบจริงจังครับผมแบบจรงิงจังจาสักนอกคาร์ครับอาจารย์ดาวุธให้เกียรติมาด้วยนะครับผม อ, อมีโลโก้มีอะไรมาก็พยายามค่อยๆใส่ทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวน่อยหน้าอจาดาวุฒไม่ได้นะครับเอะกลับมาคุยประเด็นของเราครับขอมาพีวันนี้ผมอาจจะชวนคุยกับพี่น้องเยอะหน่อยนะครับผมครับเรากําลังมาพูดคุยว่าตอนนี้อายากุระในสระอัล บ, บักเนี่ยครับผมพเพราะล้เริ่มด้วยกับสำนวนแทบแปลเป็นภาษาอื่นในโลกนี่คงจะเอ่ยกันไปเลยว่าไม่ขอสาบานไม่ขอสาบาน มันหมายความว่าอย่างไงพี่น้องที่รักเนี่ยครับในภาษาหลับถ้าเกิดว่าจนถึงปัจจุบันการใช้ลานําหน้าการสาบานเพื่อแสดงเห็นถึงว่าสาบานแบบย้ําจริงๆยังมีการใช้อยู่ครับยังมีการใช้อยู่เม้่อนั้นถ้าท่านใดมีโอกาสลองคุยกับอาจารย์ดาวดุฒิกับท่านใดก็ได้ที่ว่ามีประสบการณ์คุกคีกับคนหลับเราจะพบว่าเวลาที่คนหลับเขาคุยกันเนี่ยเขาสาบานกันเป็นเรื่องปกติของเขาเลย อย่างเช่นวันละฮคุณต้องไปวันละฮีละตัสฮับคุณต้องไปเราจะบอกไม่ผมไม่ไปเขาก็บอกวัาลอฮีละตัสฮับคุณต้องไปเราจะบอกผมไม่ไปเขาก็จะบอกว่าและวันลอฮีละตัสฮับจะเพิ่มคาว่าละาละวันละฮี่ซึ่งสำนวนภาษาลาบเนี่ยมันแปลว่าไม่นะขอสาบานจริงๆเลยคุณจะต้องทำหรือคุณจะต้องไปอันนี้ก็พยายามอธิบาย ความหมายคําว่าลาอุกซิมูเพราะคิดว่าพี่น้องหลายท่านค่อนขางจะสงสัยว่าทําไมมีคําว่าไม่แล้วดันแปลว่าสาบานมันผิดไวยากรณ์หรืออะไรหรือเปล่าก็คอยรู้ว่าอันนี้เป็นการใช้ที่คนอาหรับเขาใช้กันมาแล้วพันสกว่าปีก็ยังคงใช้กันอยู่คือเวลาจะเน้นอะไรไม่ใช่แค่สาบานธรรมดาแต่อยากเน้นในการสาบานแบบเน้นจริงๆเขาจะเอาคําว่าลานําหน้าการสาบานแล้วอัลลอฮิแล้วอ oh ัลลอฮิอันนี้เป็นปกติครับที่ว่ า, มาเมื่อเเจอกันเพราะนั้นจึงไม่แปลกเมื่อเราเจอใน สุราณีพวกเรารู้ใช่ไหมว่าละอุกซิมุไม่นะฉันขอสาบานด้วยกับเมืองเมืองนี้พี่น้องอาจจะอยากรู้หรืว่าจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องเน้นการสาบานเน้นเป็นพิเศษกับเมืองเมืองนี้ทําไมไม่สาบานปกติเหมือนกับสุราณีอื่นที่ผ่านมาอย่างเช่นอวาร์ฮาซันบาหลตหรือว่าวันบาหัดหรือว่า ว่าโอซิมูบิบิบบาหลตหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทําไมต้องมีการใช้คําว่าลาเพื่อเปิดการเน้นเราจะเข้าใจเมื่อเราพูดกันไปถึงอายะที่2แต่ตอนนี้ขออายะแรกกันก่อนครับผมครับสําหรับพี่น้องที่สละมานะครับคุณณสีพันเบนาคุณซาดายินทุนสละมาก็ว่าอัลกุรอฮ์มูฮัมอมัดุลลอหว่าบารุกาตู้ครับคุณนักญาัิระเบียนนะครับสละมาบอกพร้อมเรียนรู้ว่าอัลกุรอฮ์มูฮมหมัดุลลอห์ว่าบารุกการตู้ครับผมผมก็ยินชาล้อนะครับก็พร้อมที่จะมอบ ความรู้เท่าที่ผมมีความสามารถให้นะครับผมเรากลับมาคุยกันครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้พวกเราล้อในสุรต่านบาลัดพวกเราได้สาบานแบบย้ําจริงๆเลยว่าฉันขอสาบานด้วยกับเมืองเมืองนี้เมืองเมืองนี้เมืองไหนไทยแลนด์ประเทศไทยเชียงใหม่กรุงเทพหรือว่าเมืองไหนสําหรับมุสลิมเราครับผมเมื่อเราพูดถึงคําว่าเมืองนี้อัลบาลัด เมื่อเป็นการเน้นเมื่อเป็นการย้ำสําหรับมุสลิมเราเมืองในใจของมุสลิมเราทุกคนมีเพียงเมืองเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมักกะถูกไหมครับนครมักกะอันนี้ก็ไม่มีขีดจำกัครับผมคือไม่ใช่บัดีนะไม่ใช่ที่อื่นแน่นอนซึ่งเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญในใจของมุสลิมแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องจากประวัติศาสตร์มากยาวนานมากๆเลยเมืองนี้คือเมืองอะไรเมืองมักกะ ความสัมพันธ์กับบริษัทยังไงครับพวกเราได้สงเก่าวในกุรานครับในสุรอาลีมรอนอายะที่96กับอายะที่97ว่าอินนอาวัลบ ل ไอติุรัลีนน้าซิลลัฎีบิบักเตะมุบาระกะวะฮุลลลลอาลีมินฟีฮีอายาตุมบายนัตมุคามุบูรฮิมะวะมันดะกาลูกาลาอามินะวลิลลาฮิะลล์น้าซิฮิตุลบะไตมะนิสตัต้าะลซบลวะมันกฟรนนัลลฮะกี อันนีลามินครับมักกะเนี่ยครับเป็นสถานที่ที่ว่ามีชื่อที่พอลลี่เขาในกุรอานมากมายเหลือเกินซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็มีความหมายอย่างไรกันบ้าง ด, ดูแบบพอสังเกตนะครับผมเรามาดูความหมายก่อนครับดูความหมายก่อนพรอลล์กล่าวว่าไงครับอินน์อวัลลาเบติวบูเรลินเนสบ้านหลังแรกที่ถูกวางที่ถูกสร้างที่ถูกให้มีขึ้น ในโลกใบนี้บ้านหลังแรกเลยนะตั้งแต่พวกเราสร้างโลกนี้มาบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างมานั้นคือมักกะและนี่บิบักกะพวกเราบอกบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างนั้นคือบ้านที่อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าบักกะบักกะใช้ตัวบะบักกะซึ่งมักกะก็เป็นอีกชื่อหนึง่งคนละความหมายแต่ว่าหมายถึงเมืองเดียวกันบ้านหลังแรกหมายความว่าไงครับหมายถึงว่าเป็นบ้าน ที่มนุษย์ใช้ในการเคารพสักกาละต่อพระองค์อัลลอฮ์เรามุ穆斯มเราไม่ได้กราบไหว้บ้านนะครับเผื่อถ้าเกิดว่ามีพี่น้องต่างศา ส, สนเข้ามาแล้วสงสัยมุสลิมไปกราบไหว้อะไรกับบ้านที่ว่ามีผ้าคุมสีดําก็บอกให้รู้ว่ากาบาคือผ้าที่มีผ้าคุมสีดําเนี่ยบ้านที่มีผ้าคุมสีดําเราเรียกว่ากาบาไม่ใช่เ อ, อสิ่งที่มุสลิมกราบไหว้เพียงแต่ว่ามุสลิมแล้วกราบไหว้พระองค์อัลลอฮ์โดยที่หันไปทางกาบา ตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วความสําคัญของกาบ้านสำหรับมุสลิมก็คือเป็นมั ส, สยิดหลังแรกที่อยู่บนโลกใบนี้คือคำว่าบ้านหลังแรกไม่ใช่บ้านมนุษย์ที่กินนอนไม่ใช่เป็นบ้านของเนบิอาดัมหลังแรกไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นบ้านที่ใช้ในความหมายว่าเป็นที่ที่มนุษย์นั้นได้เข้ามาเพื่อทําการเคารพสักการะต่อพระอัลลอฮ์แล้วก็มาขอความโปรดปรานจากพระอัลลอฮ์เป็นบ้านหลังแรกเลยนี่คือความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ครับผมวูดิอาลินัสลาลบิบักะ โมบาร์อกเกลบารกันวาฮูดววาฮูเดลิลาลามินพอเราประทานมาเป็นเมืองเป็นบ้านที่ว่ามีความชำเนิรมีความเจริญมีแต่สิ่งที่ดีงามถ้าเกิดพี่น้องมีโอกาสไปทําฮัทไปทำหทำมุนล้อถ้าเราไปทําด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์อยากให้เอาล้อรักหลายๆท่านครับแค่เห็นกาบาในครั้งแรกหลายๆท่านตื้นตานหลายหลายท่านร้องไห้หลังน้ําตา เพราะนี่คือสถานที่ที่เราเนี่ยละมาถันมาทางทิศนี้แทบจะตลอดชีวิตของเราถ้าใครมีโอกาสได้ไปเจอปุ๊บก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทํามีเวลาอย่างอิ่มเอมอย่างมีความสุขมูบารักมีบาระกะทาไมจะไม่มีบาระกะล่ะครับพี่น้องที่ดูบางท่านจะบอกว่าเมืองทะเลทรามีความจเจริญยังไงบาระกะไปเพราความเจริญปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเจริญตรงไหนล่ะบีว่าดินไงดิซิซิน ทินเรบีบรอยฮิมพ์พูดก็คือว่าเป็นสถานที่ที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นพี่น้องคิดดูครับเพราะปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแหละครับแต่พี่น้องแทบจะเจออาหารทุกประเภททั่วโลกอยู่ในสถานที่แห่งนี้อาหารไทยพี่น้องไปช่วงฮัทมีให้กินอาหารอินโดมีอาหารมาเลยมีอาหารอาหรับมีอาหารตุรกีมีอาหารฝรั่งเศสมีแทบจะทุกประเทศที่พี่น้องคิดออกพี่น้องเจอในสถานที่แห่งนี้ที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเลย ซูบาร์แล้วลมูบาร์กแลใครเวลาไปทําอิบาร์นะใครไปทําการศึกษาใครไปใครไปทำการเรียนรู้ใครอยากกับเนื้อกับตัวใครอยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ใครอยากได้แม้แต่กระทั่งผู้ที่ไปแสดงหาริสกีเขาก็จะได้ริสกี้เขาได้ทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นมามูบาร์กมูบาร์กวาฮูดันลิลอละลามีนแล้วก็เป็นทางนําให้กับมนุษย์ทั้งโลกให้กับสากลโลกเลยทั้งหมดได้รับทางนํา จากแผ่นดินนี้ถูกไหมครับจุดเริ่มต้นของอิสลามเริ่มที่ไหนครับนยุคนี้ประชาชาตินี้เริ่มจากมักกะซาดับเบี้ยมัสซัมเกิดที่ไหนมักกะถูกแต่งตั้งที่ไหนมักกะเริ่มเผยแพร่ที่ไหนมักกะหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้วถูกขับไปเมรีนะก็กลับมามักกะแล้วก็ไปจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่โมบะเรามีบารา์ร์กะครับผมแล้วก็เป็นทางนําฟีฮียายาตุมไบญีนัดในสถานที่แห่งนี้จะมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่แสดงถึง การเป็นสถานที่ที่ใช้ล้ำลึกถึงพุทธล้ออย่างแท้จริงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการถูกสร้างเป็นบ้านแบบที่ชัดเจนที่เป็นมั ส, สยิดอย่างชัดเจนในยุคสมัยของท่านอบดุลบีบรอหิมก้อนหินที่ท่านอับดุลเบบรอหิมใช้ในการเหยียบย่ำเพื่อในการสร้างกาบายังมีอยู่ให้เห็นบ้านก็บอกเป็นหินที่รลอยได้อะไรได้ก็าอัลลอฮ์ฮุลัมครับตามที่ผมเข้าใจก็คือก็เป็นหินธรรมดาได้แหละแต่ท่านอบดุลเบีไปยืนอยู่ตรงนั้น ทั้งตอนที่กําลังสร้างแล้วก็ตอนที่ขอดัวจากพระวโรบาว่าขอให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีแต่ความเจริญมีสถานที่ที่ว่าผู้คนนั้นหลั่งไหลกันมาเพื่อทําอิบาราตต่อไปมุบารักวาฮูดันอายาตุมบายนะบมกอมุิบรอฮิมอย่างที่พวกเราทราบใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์อิบาราตที่ว่าทําได้เฉพาะที่นั่นที่เดียวคือการตวารการตวารบซึ่งเมื่อตวาร์บยังไงต่อครับเมื่อตวารเสร็จปุ๊บปกติพวกเราทราบกัน เมื่อตะวับครบเจ็ดรอบเราก็จะทำการละหมาดสุนนะสองรักะที่หลังมากอออิบรอฮิมหลังมะกรออิบรอฮิมถูกต้องไหมครับแม่จะเสียอะไรน้องกีม่มหาดาหรายบีบะม่นลกนิ้นตงได้มินไม่เอาอาจารยเสียหินะเราดะชาวิชีนต็มครับผมกัวมันหลังจากที่กำลังบอกว่าพอตะวัเสร็จปุ๊บเราก็จะละหมาดสุนนะสองรกะหลังมกรออิบรอฮิมสาหรับผู้ที่มีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าคนมันเยอะมันแน่นก็ ไม่ปไปละหมัดที่ไหนก็ได้วามันดาคอลาหูกะนาอามีนใครก็ตามที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้เขาจะได้รับความปลอดภัยพี่น้องที่รักยิ่งครับสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกแห่งนี้พูดถึงเมืองเลยนะที่พระอรหันต์กำหนดให้เป็นเมืองต้องห้ามเมืองต้องห้ามหมายถึงอะไรครับห้ามการทําำลายกาันห้ามการหลั่งเลือดห้ามการฆ่าฟันกันห้ามการฆ่าสัตว์อะไรก็ตามเท่ไม่ใช่สัตว์เดียว สถานที่ที่ว่าถูกต้องห้ามตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันคือที่มักกะฮ์แห่งนี้นบีท่านใดก็ตามนบีบรูฮนนบีอิสมาอินไล่ลงมาเรื่อยๆทุกนบีถ้าใครก็ตามที่มาที่นี่นี่คือสถานที่ที่ว่าเป็นฮารอมห้ามในการที่จะหลังเนี่ยเป็นสถานที่ที่ถูกเรียกว่าฮารอมเพราะฉะนั้นใครก็ตามเข้ามาในสถานที่นี้เขาปลอดภัยอบางท่านอาจจะบอกว่าปลอดภัยได้ยังไงล่ะมันมีช่วงสูง มันมีช่วงที่ว่าคนที่ว่าบุกมายึดที่ว่าตอนที่ชีอาเข้ามายึดแล้วก็มาจะเอาหินดําไปแล้วนะครับแล้วก็ฆ่าคนที่ว่าทาําพัดหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยที่เราเคยคุยกันแล้วในช่วงของอประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้มาทวนตอนนี้มันให้บอกปลอดภัยตรงไหนในที่นี้ก็คือคําว่าปลอดภยัยนี้นี่คืออัลลอฮ์กาหนดให้มันปลอดภยัยแล้วใครก็ตามที่ฝ่าฝืนการกําหนดนี้ของผู้อัลลอฮ์เขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบในโลกหน้า สำหรับผู้สะแทนี่คือสถานที่ที่ห้ามทำร้ า, ายกันนี่คือสถานที่ที่ว่าห้ามทำร้ า, ายกันวาลิลเลียร์เนสิฮิตจุลเบตมานิสตอยไดสบีล่แล้วก็บ้านหลังนี้ก็คือมักกะเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นใจหลักสำคัญในการทำอิบาะระดูกรอิสลามข้อที่ห้าทำได้แค่ที่นี้เท่านั้นนั่นก็คือการทำฮัจสำหรับผู้ที่มีความสามารถถูกไหมครับพี่น้องเก่าวชาไนดะ้พี่น้องอยู่ที่ไหนพี่น้องเก่าวได้ จะละหมาดอยู่ที่ไหนละหมาดได้เพราะท่านอบีบอกว่าผืนแผดอินทั้งหมดโมฮัรร็อห์ให้สาละหมาดได้ทุกทีถือสินอดแน่นอนครับอยู่ที่ไหนถึงเวลาพวกพี่น้องถือก็ถือไปบริจาคทานก็เช่นเดียวกันแต่ข้อห้าการทำฮัจจะต้องเป็นที่สถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นไปที่อื่นไม่ได้ครับจะไปกัส บ, บาลาจะไปที่ไหนก็ตามไม่ใช่ที่พี่โมฮัรร็อกําหนดไว้ให้เป็นบ้านของพระองค์คือที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะนั้นครับ วันนี้เราอยลนาสิฮิจุลไบต์มานิสซาต้าอิเลสวาีวล่ะเพราะได้กำหนดให้ผู้คนนั้นต้องมาทำฮัจที่บ้านหลังนี้ของพระองค์มาทำการสแสวงบุญมาทำอิบาดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมุสลิมคนหนึ่ง ว่มันก็ฝรั่งยอินนัลลอฮะกรณียุนอัลิลอาลามีนใครก็ตามที่ปฏิเสธคือปฏิเสธว่าไม่ฉันไม่จะไม่มาทำฮัดที่นี่ฉันจะไปทำที่อื่นฉันจะไปเวียนที่อื่นหรืออะไรก็ตามแต่หรือปฏิเสธคำสั่งใช้ใดๆก็ตามของพู้อัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธพกกู้อัลกล่าวไงครับฟ่อินนัลลอฮะกรณียุนอัลิลอาลามีนพู้อัลลอฮ์นั้นทรงร่ำรวยมั่งคั่งเกินกว่าที่จะต้องพึ่งสากะโลกคือพวกไม่ต้องพึ่งอะไรเลยคือคุณปฏิเสธ แล้วคิดว่าพวกเรารอจะเดือดร้อนเลยหรือคิดว่าพวกเรารอจะขาดทุนหรือพวกเราจะสูญเสียอะไรไม่เลยตัวร้อนนั้นร่ํารวยมั่งคั่งเกินกว่าที่จะต้องพึ่งพาสิ่งใดแต่ทุกสิ่งนั้นต้องพึ่งพาพวกเรอเพราะฉะนั้นในอายายนี้ก็เป็นการเตือนครับสำหรับผู้ที่ไปเสียศรัทธาต่อพวกการไปเสียศรัทธาของเขานั้นไม่ได้ส่งผลอะไรกับพวกเรอเลยแต่ผู้ที่จะต้องรับสิ่งที่เลวร้ายผลที่จะตามมาคือตัวของเขาเอง พี่น้องที่รักครัถ้าเกิดเรามาคิดถึงมักกะมักกะในภาพของเมืองทั้งเมืองเลยศูนย์กลางของมุสลิมนี้ครับที่บอกว่ามันเป็นมีความเกี่ยวพันทางด้านปรัิศาสตร์อันยาวนานมีความผูกพันกับมุสลิมมาอย่างยาวนานมากเพราะอะไรครับอย่างที่บอกครับเป็นสถานที่ที่บ้านหลังแรกของเรานั้นถูกกําหนดขึ้นมาก็คือบ้านหลังแรกที่ใช้ในการเคารวต่อร์ก็คือมักกะถูกสร้างมา แล้วก็คือสถานที่ที่ท่านนาบีอาดัมถูกส่งลงมาท่านนาบีอาดัมนั้นถูกส่งลงมาครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ท่านนาบีอาดัมไปพบเจอกับท่านหญิงฮาวะอย่างที่เราทราบกันครับพ่อแม่ของเรานั้นถูกจับแยกกันเพราะว่าฝ่าฝุนคําสั่งใช้ของพวกอัลลอฮ์ไปเชื่อฟังไปเชื่ออิบลิสเดิอิบลิสหลอแล้วก็ต้องมาแยกกันพวกอัลลอฮ์ให้ทั้งคู่มา เจอกันในสถานที่ที่ชื่อว่าทุงาาท่งอาราฟาทุ่งอาราฟาเนี่ยได้ชื่อว่าอยู่นอกเขตของฮารอมนอกเขตของฮารอมก็คือถ้าเกิดเขตมักกะอะครับเดี๋ยวเราค่อยบอกถึงขอบเขตว่าตรงไหนที่งตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าออกมาถึงทุ่งอาราฟาเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่เรียวกว่าเป็นมัสยัดอัลฮะลัลมัสยัอัลฮล ถ้าจากจากอารอฟาฟะครับเข้ามาเป็นมุสลิฟะมุสลิฟะชื่ออะไรครับมัชอริลฮรอมเป็นจุดเริ่มต้นของเขตฮารอมท่านบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวาครับได้มาเจอกันที่ทุ่งอารอฟาฟะแล้วก็ในวันอารอฟาฟะก็คือเราดูดูดีวารฟาฟะควรเที่ยวไรครับวันที่9ของเดือนสุนิจะใช่หครับ ก็ท่านในเบียดังกับที่ิงฮาวาค้างเมื่อมาพบเจอกันท่านก็ได้ขอเตาบาจากพวกเราะ้ในวันที่เก้าของอาราฟะที่อาราฟะเจ้าเดือนสุนฮิตะแล้วในวันดังกล่าวเป็นวันที่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยได้กล่าวคำพูดที่ว่าขอไปโทษจากพวกเรา ที่พระอกค์อิสลามกราเยติสามสิบเจ็ดววาฟัตละก้อาดัมมมีรับบีคำวมาตี่ฟตาบะ ع ل ي ินั้ว่บทวารอิมแล้วอาดัมเนี่ยก็ได้วิบวอนขอต่อพระอัลลอฮ์ด้วยกับคำขอแล้วพระอัลลอฮ์ก็ได้ให้อภยัยโทษต่อเขาล้วจริงแน่นอนพระอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ให้ภยัยผู้สูงเมตตาการขออาภายัยโทษใดที่ซาบีอาดัมขอกับทีหญิงเขวะแล้วลอรอลับพี่น้องอยากรู้ไหมครับเผื่อเราจะได้ขอดูอากัน นี่เป็นดุอาที่ว่าพ่อและแม่ของพวกเราได้ขอดุอาตอนที่ท่านทําผิดพลาดแล้วพู้รับก็ได้ให้อภัยโทษณทุ่งอาลลอฮ์แห่งนี้ดัวบนั้นคืออะไรครับกอลาอัลบบะนาดอเลมนาอังฟุสนาไวลัมตะฟิลละนาวตารฮามนาละนกูนันมีนาลาฮซิรินในสรุระ e l อารอฟอายะที่สิบสามพระเจ้าบอกไว้ว่ากอลาทั้งสองก็คือนบีอาดัมกับที่อิงค่ะว่ากอลาอัลบบะนาผู้อยู่ยบานของเรา เราลำนาอังพุสนาเราได้อะธรรมกับตัวเราเองแล้วคือการที่ฝ่าฝืนคําสั่งของผู้อโล่เนี่ยเราไม่ได้ทําร้ายผู้อโล่ผู้อโล่ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่การที่เราฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์มันเป็นการที่เรานั้นได้ร่วมเกินตัวเราเองให้ตัวเราเองนั้นมีโอกาสเจอกับการลงโทษของเพราะบรรดาเราลำนาอังพุสนาพิบาตของเราเราอะธรรมกับตัวเราเองแล้วว่าอิลัมตัดฟียล้นาหากพระองค์ไม่ยกโทษให้กับเราว่าตัดหามนา แล้วไม่เมตตาเราด้วยนี่คือ2 อ, อย่างที่มุสลิมเราต้องการจากอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือการให้อภัยกับความเมตตาแล้วท่านอบเบียดามก็ขอสองสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดวะอิลลัมตะฟิตและเนวะตรฮัมเนละนากูเนน า, น า, นามิลคอร์ซีดินหากพวกเขาไม่ยกโทษให้กับเราหากพวกเขาเน้นไม่เมตตาเราแน่นอนเราต้องอยู่ในกลุ่มผู้ที่ขาดทุนแน่นอนผู้ที่ขาดทุนนั้นบรรพายของเขาก็คือการลงโทษอันเจ็บแสบตลอดกาลอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือรอบ ตัวเขานั้นมีแต่ความตายว่ามาหัวบิมายิทแต่ว่าเขานั้นไม่มีวันที่จะตายก็นาอูจูบินละฮิมินซาลิกครับผมนั่นก็แปลว่าไงครับในสถานที่แห่งนี้ที่มักกาเนี่ยปลายขอบไปเขตไปไกลที่สุดอย่างที่รู้ก็คือที่เข้ามาก็คืออัลอาโรฟะเป็นสถานที่ที่ว่าพ่อกับแม่ของเราขอไปถ้วต่ออัลลอฮ์ตรงนั้นแล้วพวกอัลล์ก็รับการเตาบ้าตรงนั้นแล้วในสถานที่แห่งนั้น ในวันวันนั้นถูกกําหนดให้เป็นวันที่พวกล้อจะให้อภัยอโทษแต่มนุษย์มากที่สุดในรอบปีถูกไหมครับในรอบปีพวกล้อก็เหมือนว่าในวันอาราฟะจะเป็นวันที่พอกล้อนั้นปลดปล่อยคนให้รอดพ้นจากไฟนรกมากที่สุดเป็นวันที่พวกล้อนั้นให้อภัยต่อมนุษย์มากที่สุดต่อให้เขาไม่ได้อยู่ในทุ่งอารอฟะก็ตามสุดพานละความเมตตาของพวกล้อเนื่องจากในวันนี้ ที่ว่าพ่อแม่ของเราทำผิดพลาดแล้วท่านได้มาขออภัยโทษในสถานที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ให้ความบราริกาให้ความเจริญ น, นับจากนั้นเป็นต้นมาครับทุกวันที่9ของสุรฮิจ้าก็ถูกกำหนดให้เป็นวันอารฟฟะที่มุสลิมทุกคนนั้นรักวันนี้มากโดยเฉพาะคนที่จะทำฮัจจ์พี่น้องสังเกตดูนะหัวใจของการทำฮัจจ์เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอารอาฟะถูกไหมครับ หมายความว่ามุสลิมแล้วที่ไปทำฮัทเนี่ยจะเป็นฮัทอะไรก็ตามแต่จะเป็นตมาตัวจะเป็นกีรอนจะเป็นอิฟรอดอะไรก็ตามแต่หัวใจของฮัทเริ่มจากตอนที่เรารับใบกัลลอฮุมาลับใบเนียดเนียดเนียดเนียจะนาเสร็จปุ๊บออกไปที่ทุ่งอาราฟานั่คือจุดเริ่มต้นนั่นคือเราไปจุดเริ่มต้นที่เป็นมัชสลิดอัลัยลที่บอกไว้จุดเริ่มต้นที่ว่าเป็นจุดที่ฮารานก่อนที่จะเข้ามาที่ดินแดนฮารอมมัชสลิดฮารอมพอแล้วพอแล้ก็ครับ ไปอ่านอัฟัตุมในอาราฟาที่ฟังสักรูลล้เลยอินเดลมาช อ, าอมเมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการนลลึกถึงวารีองอราฟาแล้วก็จงมากันที่มาชอเรลฮารอมก็คือที่มุสลิฟะหลังจากที่เราสะอาดแล้วหลังจากที่เราขอไปโทษจากผัว ล, ล้อแล้วหลังจากที่เราขอดูอาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นฮุจจะทุกคนจะเริ่มต้นด้วย ก, การขอไปโทษขอให้ออกล้อเมตตาขอดูอาทําสิ่งที่อลรักมากที่สุดแล้วก็เริ่มขั้นตอนการทําฮัจ หลังจากที่ตัวเองสะอาดแล้วจิตใจดีที่สุดแล้วก็จะเริ่มมาที่มุสลิฟ้าถูกไหมครับแล้วก็เข้ามาที่มีนาก็ททำการเชื่อสาเก์ได้ทำการขว่างเสาหินทำการตะหันลน้นทำการตะวักทำการสแส่ถ้าเราดูฮิกมาในการทำฮัชเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนาบีอาดัมอะลสาตุวสลาแล้วพี่น้องที่รักยินครับ หลังจากที่ว่าท่านนบีอาดามกับท่านหญิงคาวาเนี่ยได้ทําการขอไปโทษเตลบาสเสร็จแล้วท่านก็ได้เข้ามาที่แดนฮารอมก็เข้ามาที่มุสไซฟะแล้วท่านก็มาทําการละหมาดที่มักกะที่กาบาเข้ามาที่ตัวกาบาแล้วก็มาละหมาดวุฒิอาตาราอัลัมซึ่งพี่น้องที่รักกินครับสถานที่แห่งนี้บ้านแห่งนี้อัลเบลัดละอุคซิมบีฮาซัลเบลดัด มีอะไรในบ้านอย่งนี้แผ่นดินนี้มีอะไรครับเมื่อกี้เราพูดมาแล้วแน่นอนครับมีกาบะมีบ้านหลังแรกของมุสลิมชาติมีอาราฟาแผ่นดินที่ว่ามุสลิมทุกคนอยากจะไปยืนในวันอาราฟาโดยที่ว่ามีการเนี่ยดเอียร์รอมแล้วก็ได้ทำฮัจเดอ์เพราะวลาละแล้วก็มีมุสลีฟฟา แล้วหลังจากนั้นก็มีทุ่งมีนาแล้วก็มีเสาหินแล้วก็มีบ่อ น, น้ํำจำจำแล้วก็มีภูเขาวะซฟ่าลานโซฟ่าแล้วก็ลานมาก์วาสุภาณอัลลอฮ์อัลบาลัดเมืองแห่งนี้ครับมีแต่สถานที่แห่งประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่แห่งการทําอิบารนะัดขอบเขตของฮารอมทั้งหมดเนี่ยถ้าจะนับไปนะครับทิศเหนือเนะี่ยตันอิม ตาดก็คือมาจากมณีนันะ่งมาตาดมทิเนือที่เรียกว่าเป็นเขตฮารอมนะกำลังบอกว่าเขตารอมเขตมากกที่ว่าใคก็ตามละหมาดตรงไหนก็ตามในเขตนี้ได้ผลบุญหแสเท่าของการละหมาด ท, ที่อื่นแล้วใคก็ตามเอติการที่ไหนก็ตามถือว่าเขาเอติการในฮารอมใครก็ตามเอติการ์ในตำแหน่งใดก็ตามของมักกทั้งหมดถือว่าเขาเอติกร์ในฮรอ ขอเขตเริ่มตั้งแต่ทางเหนือครับเหนือสุดก็คือตันอีมโดยมาทางตอนใต้ก็คืออัลอาดถ้าไปตานตอนออกก็คือชะระยะไปทางตอนตกก็คืออัลฮูดบียะถ้าใดฟังไม่ทันก็ย้อนได้นะมันมีการบันทึกอยู่แล้วซึ่งพี่น้องที่รักยิ่งครับทําไมถึงบอกว่าที่ไหนก็ได้ละ่ะทําไมไม่ใช่เฉพาะที่กาบะเท่านั้นทําไมถึงบอกว่าที่ไหนก็ได้เ พ, พราะพระองค์ครับเรียกใช้เรียก บ้านของพระองค์เนี่ยครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดเลยพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตดูอิสรอิสรนะครับพอละกับไงครับซุบฮานแ ล, ละดีอัสรบิอับดิฮิเลイルมมินลมัสซิริลฮารอมอีลาลมัสซิริลักซัลทลีบารักนาฮาวะหูขอสัรีต่อบพอละผู้ทรงให้บ่าวของพระองค์นั้นได้ทำการเดินทางยามค่ำคืนจากมัสซิริลฮารอมถามว่าที่ท่านบีออกเดินทางเนี่ยท่านบออกังเดินทางจาก กะบาหรือเปล่าคําตอบไม่ใช่ครับตอนนั้นท่านหญิงพักอยู่ที่บ้านป้าของท่านครับท่านอับดุลบาซัลสัมพักอยู่ที่บ้านป้าของท่านขอาครับท่านอบดพักหลีบ้านป้าของท่านก็คืออุ ม, มูฮานะอุ ม, มูฮานะซึ่งเป็นพี่น้องแท้ๆกับอบดุตาลิบซึ่งอยู่เลยออกมาจากกะบาแต่พวกเราใช้คําเรียกเหมาทั้งหมดว่าเป็นบ้านของพวกเราแล้วก็มีตัวบทอีกหลายตัวบทครับที่สแสดงให้รู้ว่า เขตฮารอมเนี่ยของมังกรเนี่ยครอบครมหมดเลยเพราะฉนั้นใครก็ตามมีโอกาสไปเทสได้นั้นทําความดีตรงไหนก็ตามผลบุญมากเข้าทวีคูณเพราะถือว่าเป็นเขตฮารอมแล้วก็ทําความชั่วร้ายก็จะหนักเป็นทวีคูณเช่นเดียวกันเพราะมันคือแผ่นดินฮารอมใครก็ตามไปปุ๊บนะก็ไปสูบบุรีหรือว่าไปดูของอาบายามกุกหรือว่าไปนั่งนินทาไปพิมพ์ไปอวดไปอะไรก็ตามแต่ ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ว่าไปปุ๊บแล้วก็ชอบเก็บภาพชอบถ่ายภาพกําลังทําอิบาด์แลต่อัลลอฮ์ไม่ต้องให้คนอื่นได้รับรู้เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์เตือนไว้ครับระวังไว้ถ้าเกิดบอกว่าอยากให้เขาเห็นบรรยากาศก็ให้เขาเห็นบรรยากาศแบบไม่ต้องมีเราระวังเรื่องของเจตนาเพราะเจตนาเราถ้าเพี้ยนไปปุ๊บจบเลยนะครับผมและพี่น้องที่รักยิ่งครับเมืองแห่งเนี่ยอัลบาลต์มีความบารักะ มีความสวยงามมีความเป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้นไปอีกนอกเหนือจากที่บอกว่ามีสถานที่ดีงามมากมายด้วยกับการที่เป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลล่านของอาเลวะสัลลัมเกิดเพิ่มชารอฟเพิ่มความเป็นเกียรติเพิ่มสิ่งที่ดีงามให้กับฮารอมแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นสถานที่ท่านนบีมุสลิมสัลลัมนั้นถูกแต่งต <sh> <าย>ั้งให้เป็นนบีบารูกะเพิ่มขึ้นไปครับแล้วก็ถูกเพิ่มด้วยกับว่าการที่ว่า เป็นสถานที่ที่ถูกกําหนดให้เป็นกิบลาของมุสลิมต่อลมาเพราะตอนแรกมุสลิมหันไปทางมัสยิดอักซอท่านอบีก็ในใจก็อยากให้พวกเราเปลี่ยนจากละมาหหันไปมัสยิดอักซอให้หันมาที่มัสยิดฮะรอมพอเราก็เปลี่ยนให้เป็นกิบลาของมุสลิมและนอกเหนือจากนั้นพวกเราก็ให้มีความเจริญมีบราริก้าเพิ่มเข้าไปอีกในวันที่ว่ามุสลิมสามารถไปชิดมะกาได้แล้วก็ให้เป็นแผ่นดินที่สะอาดอย่างแท้จริง แล้วก็ให้มีความเฉริญเยอะกับว่ามันเป็นสถานที่ที่เกิดการอิสราะเมี่ยะรอดก็คือการเดินทางเรียมค่ำคืนที่ท่านบีวัสลอยสรับนั้นไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมาย The ุ q Simu Behad El Barashan ขอสาบานอย่างจริงจังกับเมืองเมืองนี้สุภานาลอดสุภาณัลอดนี่คือเมืองที่อยู่ในใจของฮุสลิม ทุกคนใครก็าตามที่มีโอกาสไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีกต่อให้ว่าคนมันจะหนาเน่นมันจะอุดอัดมัจะอะไรก็ตามแต่หัวใจของมุสลิมเราจะมีความสุขมีความสงบที่สุดเมื่อตอนที่อยู่ที่แผ่นดินต้องห้ามนี้ของพวกผม ค, ครับก็ขอเดี๋ยวจาระรว่าพวกเราแต่ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนบ้านของพวกเราบ่อยๆนะครับผมครับทีนี้จบไปแรกแล้วแล้วโอเกซิมู เบฮาเซนบาฉันขอยืนยันอย่างจริงจังฉันขอสาบานอย่างจริงจังเลยด้วยกับเมืองหมุนี้ครับมีพี่น้องเข้ามาที่สลามเพิ่มแล้วผมไม่ได้ทักทายนะครับก็มีคุณสุอนครับผมบารักลอลฟีกุมนะครับคุณยะยายครับผมแล้วก็คุณจะมีแล้วก็แต่ละท่านก็มาชาวเราบารักลอลฟีกุมครับขอบคุณที่ว่ามาร่วมด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละท่านส่วนใหญ่ก็ น่าจะคุ้นเคยกั น, ร ะ, นระดับหนึ่งถึงผมจะไม่เคยได้ทักนะครับผมคุณสกีนาบินติไซดมาราตีเปลี่ยนบำรุงคุณรูมมนศิริพง์นะครับชื่อพุ่งมาขึ้นนะครับผมผมมาดีนะแล้วก็หลายๆท่านครับก็บารักอลล่าฟีกลุ่มครับตอนนี้เรากำลังพูดถึง อัลกุรอานสุร้ออัลบาลัดเรารู้แล้วว่าการสาบานของฮุลลอตแต่ละครั้งนั้นมันคือเรื่องยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่มุสลิมเรานั้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่ฮุลสาบานแล้วก็ในเรื่องของอัลบาลัดในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามันเพิ่มความเข้าใจของเราแล้วก็เพิ่มศรัทธาแล้วก็เพิ่มความรักของเราที่มีต่อพระองค์มากขึ้นและอุกอซิมุบีฮาเดลบาลัดเรารู้ล้วว่าการสาบานของฮุลเลอตแต่ละครั้งนั้นมันคือเรื่องยิ่งบีฮาเดลบาลัดในยักที่สองครั บ, ว, รรบว่า แล้วเจ้าเนี่ยก็ให้ลุนฮาลานแล้วเจ้าเนี่ยก็ได้ฮาลานที่เมืองเมืองนี้เรามาถึงประเด็นแล้วครับที่ผมบอกตอนแรกใช่ไหมครับว่าทำไมถึงต้องย้ำในการสาบานถึงเมืองเมืองนี้โอเคเราก็จะว่าเมืองนี้มีความสำคัญมากๆแต่มีฮิกมะอะไรเพิ่มไหมเจ่านี้นะักวิชาการพอจะเข้าใจที่ว่าพอที่เขาจะสะกัดออกมาให้เราได้รับรู้ ก่อนอื่นครับเรามาทําความเข้าใจชื่อของมักกะก่อนอย่างที่เราทราบมักกะมีชื่อที่คิดออกก็มีอัลบาลัดนะตอนนี้แหละที่พ่อเรียกว่าอัลบาลัดและอ um ักษรบิฮะเซลบาลัดอัลบาลัดถูกใช้เรียกกับมักกะมักกะก็คือชื่อของมักกะแล้วก็มีบักกะแล้วก็มีเบลัดุลอามีนแล้วก็มีเบลัดุลฮารอมแล้วก็มีอ um ุมุลกุรอทั้งหมดคือชื่อของมักกะที่ถูกเรียกไว้ในอัคคามีอัลกุรอานก็คือมีหลายชื่อมากมักกะมาจากคําว่ามูกกะมักกะอิลามูกกอันวัตัสเดีย ชื่อมักกะนะครับมาจากมากกาที่แปลว่าการปริ่งเสียงสูงการทำเสียงสูงการร้องเสียงสูงทำไมจะไม่ใช่สถานที่ที่ใช้ในการร้องเสียงสูงล่ะครับเพราะมักกะเป็นสถานที่ที่มุสลิมจะทำอิบะาดาประเภทเดียวเท่านั้นที่เนียดดังอย่างที่พวกเราทราบเวลาเนียดอยู่ในใจใช่ไหมครับเรารู้ตัวว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไร แต่มีอิบาดัดเดียวเท่านั้นที่เวลาจะทำต้องเหยียดดังๆลเบกอรอหมาลบลบกเชารีกะลบอินน um ัลฮัมดาลนมะตละกวลมุลลชารีะเราตอบรับคำเรียกร้องของพระ อ, องค์แล้วยาอัลลอ์เราตอบรับคาเรียกร้องที่พระ อ, องค์นั้นสั่งใช้ให้เรามาที่บ้านแห่งนี้เพื่อมาทำฮัจจ์แล้วเพื่อมาทาอุระเพื่อพวกล อ, อสบานตาล เป่งเสียงสูงไม่เป่งเสียงสูงเช่นเดียวกับการละหมาดเช่นเดียวกับการขอดุอาิเช่นเดียวกับการทำสิ่งที่ดีงามเพรา ะ, ะนั้นมักกะเป็นสถานที่ที่มนุษย์นั้นใช้ในการเป่งเสียงที่สูงกว่าปกติเพื่อทำอิบาดะให้อัลลอฮ์รักนี่คือเหตุผลหนึ่งที่มักกะถูกเรียกว่ามักกะทีนี้ครับเรามาดูว่า การสาบานในตรงนี้ทําไมถึงต้องมีการย้ําถึงขนาดนี้เรามาดูความหมายคาว่าฮินลุนกันถ้าดูคําความหมายคาว่าฮินลุนแล้วเราจะเข้าใจฮินลุนแปลว่าฮาลานอีกที่เราทราบกันแต่ว่าเจ้านั้นฮาลานในเมืองนี้มันแปลว่าอะไรเจ้าฮาลานในเมืองนี้แปลว่าอะไรเลขาการบอกว่ามีความหมายในยะสองความหมายด้วยกันอะยะนี้นะครับที่บอกว่าว่อันตาฮินลุมบีฮาสันบาลัความหมายแรกก็คือ สถานที่แห่งนี้เป็นที่หาลานสำหรับเจ้าเป็นที่หาลานสำหรับเจ้าก็คือเจ้าสามารถมาอยู่ได้แล้วหลังจากที่ว่ามันเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเจ้าฮคุห้าจะรับมดเสียมครับความหมายได้ครับ ที่ว่าวันแต่ให้ลุมบีฮะเสร็จัสแล้วเจ้าเนี่ยได้รับอนุญาตก็คือสามารถอยู่ในที่ที่นี้ได้แล้วหลังจากที่มันเป็นที่ฮารอมสําหรับพวกเจ้าเพราะว่าท่านอบับดุลเลาะห์สลามครับเมื่ออยู่ในแผ่นดินฮารอมอย่างที่พวกเราทราบกันท่านเกิดที่มักกะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือท่านก็จําเป็นต้องอพยพไปพร้อมกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทํำไมถึงต้องอพยพครับเพราะท่านนั้นเรียกร้องให้กราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียว ถ้าเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ถูกต้องถ้าเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ดีงามแต่ถูกชาวเมืองส่วนใหญ่ที่มีอำนาจที่ไม่เชื่อ Allah ขับไล่ท่านออกมาพวกล้วก็บอกว่าอันจะให้ลุมบีฮาดัลเบลัดแล้วเจ้าก็จะได้มาอยู่ในที่นี้อย่างสามารถมาพำนักสถานที่นี้ได้ซึ่งอย่างที่บอกครับสุรอ้อนนี้เป็นสุรอ้อนมักกียะคือถูกประทานมาก่อนที่ท่านอาบัออบดุลเลาะห์สลามจะอพยพไปที่นครมาดีนนะ หมายถึงว่าถูกประทานมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ท่านอบีถูกขับไล่แล้วเมื่อท่านอบีถูกขับไล่ไปแล้วสุร้อนนี้ยังคงอยู่ก็หมายความว่าเป็นการให้กําลังใจท่านอับดุลลาห์วะสลัมแล้วก็บรนดาผู้ศรัทธาบรนดาสหาย บ, บ, บอกว่าถึงเวลาเนี่ยเจ้าจะสามารถกลับมาทําอิบารัดาอย่างเต็มที่ได้ที่เมืองแห่งนี้ตอนนี้อาจจะโดนขับไล่ไปก่อนแต่เจ้าจะได้กลับมา อย่างที่พวกเราพูดกันครับในเรื่องของตัปซีดเนี่ยเราจะพบว่าสุบฮานอัลลอฮ์ครับในอัลกุรอานเนี่ยหลายอายะห์ละเกินที่แปลได้มากกว่าหนึ่งแล้วเป็นความหมายที่ถูกต้องมาแสดงถึงความลึกซึ่งแล้วก็ลเอียดอ่อนแปลแบบนี้เราก็ได้ความหมายอย่างหนึ่งเราก็ได้ความเข้าใจแบบหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนักวิชาการ ส่วนมากครับแปลว่าวอันตาให้ลุมบิฮาจะหรือแบบที่ว่าเจ้าฮาลานในแผ่นดินนี้หมายถึงว่าเจ้าสามารถที่จะหลังเลือดใครก็ได้ในแผ่นดินนี้เฉพาะเจ้าเท่านั้นเลยไม่เคยให้ใครมาก่อนให้เฉพาะท่านอบดุบมัสสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเท่านั้นเอามาจากไหนครับเอามาจากคาพูดของท่านับดุลบี๊ยัสสลัวะัลลัมเท่านั้นเอามาจากไหนครับเอามาจากคำพองท่านอั บ, บดุล วันันอาฮัลลินนบีก็ปีเวลาบ้าดีพวกเราเนได้อนุญาตให้ฉันเนะี่ยสามารถที่จะหลั่งเลือดในนี้ได้โดยที่ไม่เคยอนุญาตให้ใครมาก่อนก่อนจากฉันก็ไม่เคยหลังจากฉันก็ไม่มีใครที่ได้รับการอนุญาตอีกคือพวกเราอนุญาตให้ท่านอบีหลั่งเลือดได้ทําไมถึงอนุญาตให้ท่านอับดุลเลาะห์มสัสฮิดลอมหลั่งเลือดได้ล่ะครับผมทาไมจะไม่ได้ละ่ะเพราะว่าชาวกุฟฟา์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนถูกไหมครับ กุฟารกุเรชเป็นฝ่ายเริ่มก่อนที่ว่าเริ่มหลั่งเลือดในแผ่นดินต้องห้ามนี้คือชาวกุเรชรู้ว่าแผ่นดินนี้ห้ามทำการฆ่าเัเด็ดขาดแล้วพวกเขาทำอะไรกันครับเขาฆ่าท่านหญิงซุมายาชาฮีดะคนแรกของอิสลามแล้วเขาก็ฆ่าสามีของนางท่านยาเซิร์เขาหลั่งเลือดในแผ่นดินต้องห้ามแล้วพวกเขาก็ได้ตกลงกัน ที่จะทําการสังหารท่านอับดุลโมมัสลาลของอเลิสซัมที่ว่าไปติดต่อไปเอาคนหนุม่มกํายํามาเป็นจํานวนมากเพกื่อที่จะมาฆ่าท่านอบีเพราะฉะนั้นเขาได้ทําลายกฎที่พวกเขาก็รู้ดีว่านี่คือแผ่นอินต้องห้ามเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเมื่อท่านอบีวลโมมัสลาลกับบรรดาซาร์บะภายหลังจากที่ว่าผ่านบททดสอบอันยาวนานแล้วสามารถเข้ามาพิชิตเมืองมักกะได้เมื่อตอนนั้นพวกลอปบอกว่าว่าอ้นแต่ให้ลุมบิฮาเซลบลาดเต็มที่เจ้าอยากตอนเนี้ยอยากจะสังหารใคร ทำให้เต็มที่เลยพี่น้องที่รักยิ่งครับซุบฮานัลลอฮ์นบีของเราเป็นท่านนบีที่ว่าเป็นแบบอย่างที่งดงามในทุกๆด้านที่เป็นด้านที่ดีงามพวกเราทราบกันใช่ไหมครับว่าในวันที่ว่าพิชิตมะกาได้ในวันที่พิชิตมะกาได้ท่านนบีมรซอลยสลัมลิสลายชื่อเอาไว้คนที่อยู่ในรายชื่อนี้ถ้าคุณเจอไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามให้สังหารซะ เพาถือว่าเป็นคนที่มันไม่มีทางที่จะดีอีกิกละแล้วเป็นศัตรูอิสลามแบบหนักมากๆต่อให้เขาจับผ้าของฮารอมของกาบาก็ฆ่าสังหารเขาได้เลยท่านอบียก็จะมีลายชื่อส่งให้ซอบะส่วนชาวเมืองที่เหลือทั้งหมดเมื่อถึงเวลาเมื่อบรรดาซอบะกับท่านอับดุลเบียร์มัสรุยสลามเข้ามาที่เขตมาการเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่กาบาเรียบร้อยแล้วท่านอับดุลเบียร์มัสรุยสลามต้อนทั้งหมดออกมารวมกัน ก่อนที่จะต้อนตอนท่านลบีเข้ามาท่านลบีบอกไงครับใครอยู่ที่บ้านระบุสุขยานเขาปลอดภัยเขาอยู่ที่ใครอยู่ที่มั ส, สยิดปลอดภัยใครซ่อนอยู่ในบ้านเขาปลอดภัยแล้วเมื่อท่านลบีเข้ามาถึงปุ๊บตอนชาวกูร์ชทั้งหมดแล้วท่านลบีมัยสยิดสุลามก็ถามคําถามง่ายๆครับมาดาตะซุนนูนะอันนี้ฟาอิลุนบิกุมพวกคุณคิดว่าผมจะทํายังไงกับพวกคุณหลังจากที่พวกคุณฆ่าซาบะมาแล้วหลายคน ทำสงครามกับเรามาแล้วมากมายพยายามจะฆ่าผมครั้งแล้วครั้งเล่าอ่าสตาน์เนี่ยคุณคิดว่าผมจะทําอะไรกับพวกคุณดีท่านอบีถามชาวกูเรชถามแบบตรงๆ ร, รงเลยสวุวรรณละละครับชาวกูเรชเนี่ยต่างพากันตอบคําตอบเดียวกันเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวท่านอบีคือเขาเชื่อท่านอบีแต่เขาก็ทําตัวเป็นศัตรูมาตลอดแต่ในใจเขาเชื่อเขาบอกว่าไงครับใครรุนอคันอคุนกะริมวัดนูอัชินกะริม เรามั่นใจว่าคุณจะทำกับพวกเราอย่างดีที่สุดเพราะคุณเป็นพี่น้องของเราที่ใจบุญแล้วพ่อของคุณก็เป็นคนใจบุญแหมที่อย่างนี้เรามาปากหวานนะนะที่อย่างนี้เร้ททำเป็นรู้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งท่านบีมัสลองอะเลสลามก็ได้บอกไว้ครับว่าฉันจะพูดกับคุณเหมือนกับที่พี่พาะพี่ของผมได้พูดเอาไว้ท่านอบีมีพี่ชายด้วยะ่ะ ท่านนบีอสซาอสลา์บอกว่าตเนีเคผมจะพูดกับพกคุณเหมือนกับที่ผมเคยเหมือนกับที่พี่ชายของผมพูดท่านบีหมายถึงนบียูซุฟอเลสล์สาสมท่านนบีนั้นเป็นพี่น้องกันนบียูซุฟพูดอะไรครับท่านบยูซุฟบอกว่าละตัสลีบะอาลัยกุมุลยามายักฟิรุลลอฮฺและก็วะฮุวะอารฮามุลราฮิมินท่านนบียูซุฟ um ครับภายหลังจากที่ว่าพี่น้องของท่านรู้แล้วว่าท่านนบียูซุฟยังมีชีวิตอยู่ แล้วมีชีวิตในสภาพของคนมีอำนาจติดตังหากแล้วพี่น้องอยู่ในสภาพเดือดร้อนขาดแขนพี่น้องก็กลัวไม่รู้ว่านา บ, บีซุจะแก้แขนไม่จะล้างแขนไหมเพราะว่าทำไว้เยอะทําแบบถึงขั้นเอาไปโยน ล, ลงบ่อโยน ล, ลงบ่อไม่ตายปุ๊บเอาไปขายเป็นทาสติดตังหกักนักแต่ละอย่างหนักๆนา บ, บีซุบอกว่าไงครับวันเนี่ยจะไม่มีการล้างแขนวันนี้จะไม่มีการทําร้ายใคร อัลลอฮ์ได้อภัยพวกท่านแล้วและพวกนั้นเป็นผู้ที่เม ต, ตายิ่งซุบานัลลอฮ์การที่เจ้านบียูซุปบอกว่าอัลลอฮ์ให้อภัยท่านแล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่านาบียูซุปนะ่ะให้อภัยไปนานแล้วเพราะเราอย่าลืมครับตอนนี้เป็นเรื่องฮักกุนอาดัมฮักุนอาดัมก็คือระหว่างคนเดียวกันอย่างที่พวกเราทราบครับอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้ในส่วนของฮักุนอาดัมจนกว่าเจ้าทุกจะยอมยกให้ก่อน การที่ทนบีซุบบอกว่ายักฟ um. ิรุลยักฟิรุลลอฮุละกุมอัลลอฮ์ยกโทษให้ท่านคุณแล้วเนี่ยหมายความว่าเขานี่ยยกโทษให้ไปนานแล้วไอ้ที่วางแผนที่ว่า ก, ากักตัวน้องไว้เนี่ยไม่ได้จะแก้แค้นถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์นะครับทั้งหมดเป็นแว่แผนการที่ท่านนบีซุบวางไว้เพราะอยากจะเอาพี่น้องเนี่ยมาอยู่กับท่านด้วยคือตอนแรกดึงน้องเบญจมินมาอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อให้ชาวเมืองได้คุ้นเคย ให้ชาวเมืองได้เปิดรับแล้วให้น้องเองได้คุ้นเคยด้วยแล้วเมื่อเวลาพาพี่น้องคนอื่นมาปุ๊บ ม, มันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการแก้แค้นนะครับถ้าเรากลับไปดูในประวัติของท่านอบดยูซุฟภายหลังจากที่ว่าท่านอบดซุฟบังคับให้พี่ๆเนี่ยเต้าน้องชายคนเล็กมาด้วยแล้วท่านก็หาทางกลับตัวไว้เนี่ยทั้งหมดถ้าเราดูนั่นคือท่านอบดยูซุฟให้อภัยนานแล้วเช่นเดียวกับพ่อของพวกเขา นบียะกรุครับซาฟอัสซักฟิรยละกลุ่มรอปีฉันจะขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ให้พวกลูกด้วยนบียะกรุ๊ปก็ยกโทษให้กับลูกไม่ใช่แค่ยกโทษขอต่ออัลลอฮ์ให้ยกโทษให้กับลูกๆด้วยพี่น้องที่ลักเราอยู่ในยุคสมัยที่ว่านี่คือสุนนะที่สังคมเราต้องการมากที่สุดอีกสุนนะหนึ่งสุนนะที่ว่าคนที่ เป็นฝ่ายที่ถูกอาธรรมคนที่ว่าเป็นฝ่ายที่ถูกสร้างความเดือดร้อนเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเอาคืนได้เขาเห็นแกอ่อัลละฮ์เห็นแก่ความเป็นพี่น้องแล้วเขาพร้อมที่จะให้อภัยสังคมเราต้องการมากเพราะเราอยู่ในยุคสมัยที่ว่าใครๆก็เรียกร้องแต่สิทธิของตัวเองถูกไหมครับอยู่ในครอบครัวสามีก็เรียกร้องกสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยทํำไมเธอไม่ทําตามหน้าที่ของเธอพลายก็ชีน้นะหาสามีทํำไมเธอไม่ทําหน้าที่ของเธอ พ่อแม่ก็ชี้หน้าหาลูกทำไมลูกไม่ทำหน้าที่ของเธอทางฝ่ายตางชี้หน้าจเจ้าแต่สิทธิที่ตัวเองจะได้รับแต่ความบกพร่องในหน้าที่ของตัวเองนั้นบางทีก็ทาเป็นเงียบไปซะไม่ต้องพูดถิงล้วอยู่ในยุคที่ว่าการล่วงเกินมันมีเยอะครับมันมีทั้งคนที่ไม่ควรได้รับการให้อภัยกับคนที่ควรได้รับการให้อภัยแต่พี่น้องที่รักยิ่ครับถ้าเรา อ้างตอนว่าอยากจะทําตัวใหว้เป็นตามแบบอย่างของท่านบีมัสละลอของอัลยูสเซลัมท่านบีนั้นยึดการให้อภัยนําความโกรธเกี้ยวของท่านถูกไหมครับแล้วผู้อัลลอฮ์ก็สั่งว่าคูซิลอัฟวาจงยึดเอาการให้อภัยเป็นหลักถึงมันจะเป็นสิทธิ์ถึงมันจะเป็นเรื่องอะไรคือแน่นอนครับในที่นี้มันมีเรื่องที่แบบว่ามันยอมความไม่ได้ โดยพาะถ้าเกิดเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ได้พเพราะเราเลบอกวกนีต้องเป็นตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะมีการกระทบกระทั่งอาจจะมีการทำร้ายจิตใจกับบางคนที่ว่าเรายังหวังดีกับเขาได้อยู่แล้วเขายังเป็นมุสลิมอยู่หรือเขายังเป็นคนที่ว่ายังเป็นคนที่หวังดีกับเขาได้อยู่เอาดีได้อยู่อย่างเงี้ยให้โอกาสเขาเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเคยทาผิดใช่ไหมล่ะ ผมเคยทำผิดผมรู้ตัวดีว่าสิ่งที่คนผิดต้องการที่สุดก็คือโอกาสที่จะกลับตัวหนึ่งในสิ่งที่คนผิดต้องการก็คือการที่ให้อีกฝายนั้นยกโทษถึงแม้ว่าจะทำบาปที่ไม่ควรจะยกโทษเหมือนกับเราในสถานะของลูกเราทำอะไรร่วมเกินพ่อแม่เราเยอะมากเลยเราบกพร่องในหน้าที่ที่มีต่อพ่อแม่ของเราเยอะมากแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็แอบหวังว่าท่านนั้นจะให้อภัยจะยกโทษให้กับเราถูกไหมครับ เพราะนั้นในเมื่อเราเองก็รู้ตัวว่าเวลาทําผิดอยากให้คนยกโทษให้พยายามเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ท่านระเบียมอสซาลลอลฮุสลาลมให้อภัยกับกลุ่มชนที่ไม่น่าจะได้รับการให้อภัยเลยอย่างชาวตออิฟอย่างชาวมักกะที่ว่าจะรอบสังหารท่านก็หวังว่าจะเป็นข้อเตือนสติให้เป็นประโยชน์กับตัวผมแล้วกักบพี่น้องทุกท่านนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับตอนนี้เรามาพูดกันแล้วว่า ทำไมจึงต้องเน้นการสาบานละ่ะเพราะเราบอกว่าไงครับเพราะเราะกาศตอนแรกว่าไงครับลาอุกซิมุบิฮาดัลเบลัดว่าอันต์ฮิลุขอสาบานอย่างจริงจังเลยกับเมืองเมืองนี้แล้วเจ้ามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ในเมืองนี้จะฆ่าอะไรก็ได้ในเมืองนี้นะักวิชาการนักทัศซศิษย์บางท่านให้คำอธิบายครับว่าสาเหตุที่ซูเราะห์นี้มีการสาบานอย่างย้าเน้นมากเป็นพิเศษ เพราะว่าแผ่นดินนี้เมืองนี้ถูกกล่าวในฐานะของเมืองแห่งความปลอดภัยถ้าพี่น้องจำได้นะครับในสราตีเราได้พูดคุยกันใช่ไหมครับว่าหล้วกล่าววหาครับขอสาบานวัดีนตีนก็คือมะเดือ ขอสรา บ, บานเกี่ยวกับมะเดื่อซึ่งมดต้นมะเดื่ออย่างที่เราพูดคุยกันก็คือคื อ, คอใบไม้ที่ท่านาบีอาดามกับที่ยิงฮาวะใช้ในการปกปิดอัลลอฮ์ตอนที่ว่าเห็นอัลลอฮ์ของกันและกันวัตตนวัตไซตูนไซตูนก็คืออะไรครับมะกอกน้ํามันบราร์ระแกเป็นน้ํามันที่ท่านาบียุสนับว่เป็นน้ำมันที่มีความจำเริญให้เราบริโภคมากๆที่การแพทย์ปัจจุบันมาประโคมบอกถึงประโยชน์ข้อดีนะครับเป็นการบอกจากท่านาบีเป็นแพทย์จากนาบีเพราะนั้นการบริโภค น้ำมันมักกอกเนี่ยเป็นสุ น, านา้าเนบีที่ท่านเบีได้สั่งไว้วัดัยตูนในที่นี้ครับพวกเราสาบานที่กับไซตูนซึ่งนักข่าวที่บายแล้วจะบอกได้ว่าหมายถึงประเทศของเนบี อ, อิสซาวตัตูริซีนินตูริซีนัยก็คือภูเขาของเนบีมูซาก็คือในสุระอตีเนี่ยครับพวกเราเราสาบานกับสถานที่ต่างๆมากมายทั้งแผ่นดินของนบีอิซาแผ่นดินของเนบีมูซาแล้วก็ขอสาบานด้วยกับแผ่น ด, ผนดินที่มีความปลอดภัยนี้ ว่าฮาดบะลาดินอาหมีและขอสาบด้วยกับแผ่นดินที่มีความปลอดภัยนี้ตรงนี้แหละครับที่เป็นเหตุผลว่าทําไมตรงนี้ต้องมาสาบานย้ําแล้วก็หนินเพราะภายหลังจากที่พองบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ปลอดภัยนะโฟล็อบบอกตรงนี้ว่าครับท่านอบลบีอยากทําอะไรตอนนี้ทําได้เลยอยากสังหารใครก็สังหารใครก็สังหารได้เลยแต่โฟล็อกก็ย้ําว่าย้ําสาบานว่าลาอุกซิมูบิฮบะเซลเบล็ด ฉันก็ขอสาบาลกลับผืนแผ่นดินนี้ก็แปลว่าในความที่เป็นแผ่นดินที่ปลอดภัยแต่ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาหนึ่งนั้นพระเจะายกเว้นให้กับท่านอับีม้วัสรอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่วานักวิชาการพูดกันนะครับผมถึงตรงนี้ครับจบไปแล้วสองข้อและอุกซิมูเบฮะตะลเบลดวะอันตะฮิลลุม บีฮาดวลัดอแรกที่สามครับคุณรู้กคําว่าวาลิดิววามาวลดัดคุณราสถาบันต่ออะไรครับวาลิศแปลว่าผู้ให้กําเนิดวลดัดหมายถึงผู้ที่ถูกให้กําเนิดคือไม่ได้แปลจำเพาะต่อจงว่าเป็นพ่อกับลูกนะครับผมแปลว่าผู้ให้กําเนิดความหมายกว้างเลยทั้งเพศชายและเพศหญิงพ่อให้กําเนิดได้ไหมครับพ่อให้กําเนิดได้ไหมอย่างที่เรารู้ไม่ให้กําเนิดได้พ่อก็ให้กําเนิดได้ คือพ่อให้ก่อนแม่ถูกไหมครับพ่อให้กําเนิดก่อนแล้วแม่จึงให้กําเนิดทีหลังอันนี้ไม่ได้พูดแบบทะลึ่งนะนะแต่หมายถึงว่าในความเป็นจริงก็คือพ่อก็ให้กําเนิดนี่แหละพ่อก็อยาฤิ์เหมือนกันแม่ก็ตาฤิ์เหมือนกันตามฝ่ายต่างให้กําเนิดขอรับสาบานว่าแล้วขอสาบานต่อผู้ให้กําเนิดกับผู้ถูกกาเนิดหมายถึงใครผู้รัสาบานใครว า, วา ว, ว า, าวลิดิววามาวรัดนักวิชาการมีทัศนะอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าทัศนะในเรื่องนี้ว่าตกลงหมายถึงใครสรุปคร้าวข้านะครับ บางก็บอกว่าวาวาลิศคือพ่อลัทธิซาบานด้วยกับนบีอาดัมว่ามาว่าหลัดสาบานด้วยกับลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดเลยก็คือทั้งหมดนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากนาบีอาดัมแล้วก็จากทั้งหญิงเขาะแล้วจากสองคนนั้นก็เป็นมนุษยชาติทั้งมวลหลังจากที่พงศด้วยซาบานถึงแผ่นดินต้องห้ามนี้แล้วละอุคซิมูบีฮะซัลเบลัด وعنتا حلم بيهز البلد ووا ليديو و ما ولد แป่ในความหมายนี้เราก็จะได้ความเข้าใจแบบหนึ่งแต่ทวิชการอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คลอดเลยบิดาของศุกสปปรรพสิ่งเลยหมายถึงผู้รับสาบานว่าบาวาลิสและผู้ให้กาเนิดคือผู้ให้กำเนิดทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นยินทั้งที่เป็นสิ่งสาระสัตว์ทั้งหมดเลยผู้รับสาบานถึงทั้งหมดที่ให้กาเนิดแล้วก็ทั้งหมดที่ถูกกำเนิด วาวาลิดิววามาวาลัดอีกทั้งนนหนึ่งครับก็บอกว่าวาวาลิดในที่เนี่ยผู้ให้กําเนิดหมายถึงนบีอิบรอฮีมวามาวาลัดหมายถึงนบีอิสมาอินแต่ละความหมายนะครับเวลาเราอ่านกอกุรอานซูรอ้นี้เราจะได้อัตลักคนละแบบทุกความหมายที่ว่ามาเนี่ยได้เป็นความหมายที่ถูกต้องแล้วก็สเสียงหมดเลย เราก็จะได้อัธรรถคนละแบบถ้าคิดว่าพลรัาบาลด้วยกับนบิอาดัมกับลูกหลานของท่านความหมายอย่างหนึ่งคิดว่าพลรัาบาลด้วยกับทนายอิบราฮิมกับทนายอิสมาอินความหมายอีกอย่างถ้าพลรัาบาลด้วยกับผู้ให้กําเนิดทั้งหมดกับผู้ถูกให้กำเนิดทั้งหมดก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งอีกความหมายหนึ่งที่นักทัพซีดได้พูดไว้ครับว่าวารีดิวมาวาลัดหมายถึงผู้ที่สามารถให้กําเนิดได้กับผู้ที่ไม่สามารถให้กําเนิดได้เราก็จะได้ ในยะได้ความลึกซึ้งของกุรอานอีกความหมายหนึ่งสุบานอัลลอฮครับมีเพียงคําพีเดียวในโลกนี้เท่านั้นนะครับที่ว่าใช้คําที่สามารถสื่อได้ความหมายละมากมายความหมายที่หลากหลายแล้วทุกความหมายนั้นมีความลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดอ่อนเช่นเดียวกันเพราะปกติจะแต่งหนังสือไหนก็ตามถ้าใช้คําคุมเครือปุ๊บไม่สวยละไม่รู้เรื่องละถือว่าหนังสือไม่ดีละแต่ในคําพีอัลกุรอานครับนี่คือ มุจิสาต์นี่คือคําพูดของพอกล้อครับพี่น้องจะอ่านอีกกี่สิปีสู้ะลอเดียวอ่านอีกกี่สิปีก็ตามความเข้าใจความลึกซึง้งอัทธาลที่เราได้จากอัลกุรานนั้นมันจะยิ่งลึกซึง้งแล้วมันก็จะยิ่งแตกฉานละเอียดไปยิ่งขึ้นยิ่งแล้วแต่แต่ละโมเมนต์แต่แ ล, ะ moment, แตและชีวิตของเราแต่และอารมณ์แต่และบททดสอบที่เราเจอเมื่ออ่านอัลกุรานนั่นคือสิ่งที่ทําให้จิตใจของมุสลิมเราสงบ ต่อให้เราไม่เข้าใจความหมายก็ตามแน่นอนครับดีที่สุดคือมุสลิมต้องเข้าใจความหมายในสิ่งที่ตนเองอ่านแต่สาหรับความเพียรอ่านุรานถ้าผู้ที่ท่านที่ยังไม่มีความสามารถจะเข้าใจกุรานขอเพียงแค่การอ่านเป็นอักษรได้ผลบุญขอเพียงแค่การอ่านต่อให้ไม่รู้ความหมายมันคือการเยียวยามันคือการรักษาจิตใจของเราให้สงบขึ้นพี่น้องที่รักที่นครับคุ่านส่งผลกับคนไม่เหมือนกัน อัลกุรอานเวลาถูกอา่านหรือเวลาอ่านเองส่งผลให้กับคนไม่เหมือนกันสำหรับผู้ศรัทธาอ إ มา่านจะเพิ่มขึ้นใจเขาจะสงบเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความอิ่มเอิบแต่สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธายิ่งฟังกุรอานยิ่งเนี่ยอ่านอัลกุรอานเขาจะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งอยากจะรู้สึกให้มันเสร็จไปพ้น นี่คือตัววัดอ إ ي م านของเราครับพี่น้องถ้าอยากวัดอ إ ي م านว่าตอนนี้สถานะอ إ ي م านของเราอยู่ในระดับไหนเปิดคัมภีร์อัลกุรอานเราก็มาอ่านแต่บางท่านอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยอาจารย์ฉันแค่อ่านช้าอย่าจะตะตะคืออ่านแล้วมันอ่านช้ามันก็เลยเหนื่อยต่อให้อ่านช้าแต่ถ้าใจเราอินสัอย่างถ้าเรามีหมานสัอย่างหน้านึงต่อให้พี่น้องต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงพี่น้องอ่านได้เชื่อผมครับร่างกายอาจจะเหนื่อยแต่จิตวิ ญ, ญญาณของพี่น้องไม่เหนื่อยแน่นอนนี่คือ อัลกุรานนี่คือคำพูดของผู้อโลสผู้ทรงสูงส่งผู้ทรง่งใหญ่ครับครับพี่น้องที่รักทิ่งครับก็วันนี้เราแด่จะได้เพียงแค่สามไอเทนี้ครับมมและรักซิมูเบฮาซอัลเบลด وأنتحلم ب ه ว ز ل า ل د و و มิชาลล์ครับครั้งต่อไปอาทิตย์หน้าเราจะมาดูว่าการที่พู้อโลสสาบานถึงสมอย่างนี้อะไรคือประเด็นที่ทำให้พู้อลสสาบานเพราะเวลาสาบานมันต้องมีจวบอัลกัซัม มันต้องมีคํามาบอกว่าทําไมถึงสาบานที่ว่านั้นอยู่ในอายะฮ์ที่สี่แล้วเป็นประเด็นใหญ่มากที่มุสลิมเรานั้นจําเป็นจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็ต้องระวังให้มากๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มามีส่วนร่วมกันนะครับผมทั้งที่ผมเอ่ยนามแล้วก็ทั้งที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับผมก็บารักรลอฟีกุ่มครับก็ขออวยจากฮุ่งอัลลอฮ์นะครับให้ให้ใหอัลกุรอานนั้นเป็น ที่เย็นตาเย็นใจเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเรานั้นสงบขอให้เรานั้นเป็นอยู่ในหนึ่งในกลุ่มของคนที่ว่าผูกพันอยู่กับอัลกุรอานเป็นประจำแล้วก็ขอให้เรานั้นได้ประโยชน์จากคัมภร์อัลกุรอานของพระองค์ขอให้พระองค์นั้นช่วยให้เรานั้นคิดได้ในส่วนที่เราหลงลืมไปจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ส่วนไหนที่เราไม่ได้นั้นขอให้เราได้ท่องจํามันได้แล้วส่วนไหนที่เราท่องจํามันได้หรือส่วนใหนก็ตามที่เราได้อ่านมันไปนั้นขอให้เราอ่านด้วยกับความเข้าใจ แล้วก็ขอให้อัลกุรอานนั้นไปเป็นสักขีพยานช่วยเหลือพวกเราทุกคนไม่ใช่ไปเป็นสักขีพยานที่จะทำให้เรานั้นต้องเดือดร้อนในวันกี่มะเด็ดเถิดอามิลครับผมอัลกุรอานนี้ให้ได้และสักหลุลลอฮ์ให้ไว้แล้วก็วิสัยในมุล ส, นมสลิมีนั้นก็เลยได้รับ ส, สักฟิรูฮอีนั่วอัลกฟัฟูร์หิมครับมีพี่น้องฝากสลามมาฝากสลามครับครุณเรื่องครับแม่นิติกรด้วย โอเคครับอัลเรดคอนฝากสลามครอบครัวอินชาอัลล์ถ้าผมไม่ลืมนะครับผมแล้วก็คุณวันนี้อครับอามนอามนบาร์กอฟคุมอามีนครับผมก็อย่างที่บอกนะครับท่านใดไม่ได้เอานามก็ขอมาอัพด้วยครับผมแล้วถ้ามีคำพูดมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีครับผม อ, ดอะดบบชุมซุบฮานัลลอฮมาบมดิ่ะอัฮัลลอิลาอิลลอัสัฟิรุกะวาตูบุลครับอัสสลามุอะลัยุมวา